บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพระพุทธคุณบทว่าพุทโธซึ่งเป็นพุทธานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงพระคุณของพระพุมีพระภักเจ้าเพื่อเป็นการเพิ่มปูลศรัทธาประสาธะ ความเชื่อความเลื่อมสายให้สูงขึ้นและเพื่อได้แนวในการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธจริยาของพระองค์เพื่อจะให้สามารถสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจมีความสะอาดมีความสงบมีความสว่างขึ้นภายในจิตโดยลําดับนั้นได้กล่าวความหมายของพระพุทธคุณบทว่าพุทธโธมาตามลําดับ คือข้อว่าทรงเป็นผู้รู้ทรงเป็นผู้ตื่นและทรงปลุกปลุกคนอื่นให้ตื่นสำหรับในวันนี้จะพูดในความหมายหนึ่งที่ท่านแปลว่าเป็นผู้เบิกบานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้เบิกบานพระทัยเต็มที่ไม่มีความขุนมัวเศร้าหมองอยู่ภายในพระทยัยไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอก จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่พระองค์มีประขันตันดาลบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีเนื่องจากปราศจากกิเลสอาสวะทั้งหลายอย่างที่ทราบกันพระทัยของพระองค์จึงมีความสงบเย็นไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปตามอารมณ์ภายนอกทั้งหลายข้อที่ควรกำหนดปีนิตพิจารณาในทีนี้ก็คือว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ประการที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบรรดากิเลสอาสวะหรืออนุสัยหรือแม้แต่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามภายในจิตสันดานของพระองค์ไม่มีดังนั้นเมื่อไม่มีกิเลสแล้วความคิดสายไปตามอํานาจกิเลสเมื่อประสบกับอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่คล่อง ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายในข้อนี้ได้ทรงแสดงสภาพจิตใจของสามัญชนทั้งหลายเป็นํำนองว่ามัจจุราชคือผู้กระทําชีวิตของบุคคลให้หมดสิ้นไปย่อมนำบุคคลทั้งหลายผู้มัวเพลิดเพลินเลือกเก็บพวงดอกไม้แห่งมารอยู่ไปสู่อำนาจแห่งตนนี่คือสภาพจิต ของสามัญในชนทั่วไปเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความเพลิดเพลินเริงลงมุ่งสแสวงหาพวงดอกไม้แห่งมนันคือกามาคุณทั้งข้าประกันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผพิตภักฑอันใจบุคคลไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีและใจก็จะสายไปฝ่ขวัญหาสแสวงหาครอบครองชื่นชมยินดีอยู่กับ กามคุณเหล่านั้นซึ่งในที่นี้ทรงใช้คาว่าพวงดอกไม้แห่งมารทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมานั้นแปลว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายความดีหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคแห่งความเจริญก้าวหน้าของคนมารอาจจะปรากฏตนออกมาในลักษณะต่างๆเป็นกิเลสบ้างเป็นขันบ้างเป็นบุญเป็นบาปบ้างเป็นความตายบ้าง และแม้แต่เป็นเทพบุตรบ้างแต่ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ทำให้จิตใจของบุคคลคล่องบุคคลติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อมีความคล่องติดอยู่แล้วจิตใจก็จะกำนัดเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นปล่อยวันเวลาแห่งชีวิตของตนให้ผ่านพ้นไปด้วยอำนาจแห่งความกำนัดความเพลิดเพลิ น, นเรื่องลงใงนยามที่ประสบ กับส่วนซึ่งตนต้องการและปรารถนาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความรู้สึกอีกแนวหนึ่งที่เรียกว่าโทมนัสคือความไม่พอใจหรือความเสียใจก็จะบังเกิดขึ้นแสดงเห็นว่าสภาพพื้นจิตของสามั ญ, ญชนที่ยังถูกครอบงำด้วยอานาจของกิเลสก็จะแกว่งไปตามแรงของกามคุณทั้งหลาย หรือพวงดอกไม้แห่งมารทั้งหประการนี้อยู่เสมอแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงตัดกิเลสเป็นเหตุสยบติดในพวงดอกไม้แห่งมารทั้งห้าได้แล้วรูปเป็นต้นซึ่งมาปรากฏเฉพาะพ ร, ระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่ารูปอันหน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเช่นรูปของนางตันหานางราคานางอรตี ที่มายั่วยวนพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยถีมายามีประการต่างๆหลังจากพระองค์ได้สัตรู้ผ่านไปถึง6สัปดาห์การยั่วยวนพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนั้นเป็นความหวังใหม่ของพญามารว่าสามารถจะเอาพระพุทธเจ้าไปสู่อำนาจของตนได้แต่พระองค์มีพระทัยไม่หวั่นไหวต่อภาพที่มายั่วยวนเหล่านั้นซึ่งในความรู้สึก ของนางตันหานางราคานางอรตีบอกว่าถ้าหากว่าเป็นสามัญชนทั่วไปแล้วถูกการยวดยวนเข้าก็จะถึงหัวใจแตกทำลายไปทีเดียวแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงบพระทัยไว้อย่างมั่นคงไม่แสดงอาการหวั่นไหวอะไรให้ปรากฏออกมาซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้อย่างเด่นชัดว่าพระทัยของพระองค์นั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วอย่างแท้จริง ภาพที่ออกมาในลักษณะกระตุ้นกิเลสสายโลภะก็ไม่รบกวนพระทัยของพระองค์ให้กุดหมัวหรือแม้แต่บางครั้งบางคราวอารมณ์ที่ชวนให้โกรธแค้นชิงชังสำหรับสามัญชนทั่วไปแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่คล้องอยู่ในพวงดอกไม้แห่งมารเหล่านั้นก็ไม่แสดงอาการหวั่นไหวอะไรให้ปรากฏข้อนี้พึงดูตัวอย่าง เมื่อพารัตวาชาพรามไม่พอใจในพัญญาของตนที่พูดอะไรก็นกโมตัสสะปะ ก, กวะโตอรหะโตอยู่เรื่อยๆจึงโกรธภัญญาแต่เมื่อทำอะไรพัญญาไม่ได้ก็มาด่าพระพุทธเจ้าโดยถามเป็นปัญหาว่าข้าแต่พระมหาสรรมณะโคดมบุคคลข่าอะไรเสียได้จึงจะไม่เศร้าโศกข่าอะไรเสียได้จึงจะอยู่เป็นสุข พระองค์สรนเสริญการฆ่าอะไรว่าเป็นของประเสริฐสุดพระพุทธีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นว่าบุคลคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขพระเรเจ้าทั้งหลายสรนเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียากรากเป็นพิษแต่มียอดหวานว่าเป็นการฆ่าที่หาที่มีความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้น และได้ทรงอุปมาให้ภารัตวช้าพราหม์เข้าใจถึงถ้อยคำที่ท่านมาด่าว่าพระองค์ด้วยอุปมาของรับแขกว่าเมื่อแขกมาสู่บ้านพราหม์นาอาหารมาต้อนรับถ้าแขกไม่รับประทานอาหารนั้นอาหารนั้นจะเป็นของใครเมื่อพราหม์กล่าบทูลว่าก็ต้องตกเป็นของแก่อีกพระองค์ก็สรุปให้ฟังว่าถ้อยคามด่าว่าก้าวร้าวทั้งหลายของพราหม์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน การบริโภคภวกร่วมการเกี่ยวข้องร่วมสำหรับตถาคตไม่มีซึ่งเป็นการเชีย่ยเห็นว่าแม้คําด่าว่าเกลี้ยกราดดุรแรงเช่นนั้นก็ไม่ตกถึงพระทัยของพระองค์พระทัยของพระองค์มีปฏิกิริยาโต้กลับต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาสำหรับสามัญชนทั่วไปหรือบางครั้งบางคราวที่ถูกก้าวร้าวรุนแรงอย่างเช่นคราวเสด็จไป สู่กรงโกสัมพีตุกนางมาคันธิยาย้างโคนให้ด่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ยามเสด็จไปตามถนนเพื่อบินธบาตในที่ต่างๆด่ากันจนขนาดพรานนเถระซึ่งเป็นพระโสดาบันยังมีความรู้สึกหวั่นไว้จนถึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จไปในที่อื่นโดยให้เหตุผลว่าในเมืองนี้คนด่าได้เกิด รับสั่งถามว่าจะให้ไปที่เมืองไหนพระนนก็กราบทูลว่าไปเมืองสาวัตถีบ้างราชคลึกบ้างกระบินละพัดบ้างแล้วรับสั่งถามว่าถ้าในเมืองนั้นคนด่าอีกจะทำยังไงพระนนท่านก็เลื่อนเมืองไปเรื่อยๆแล้วรับสั่งสรุปว่าอ น, นุนการทำอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเรื่องเกิดที่ไหนก็ควรจะให้ระ ง, งับเสียในที่นั้นคากล่าวด่า ว, ว่าคุกคามสถาคตของบุคคลทั้งหลายนั้น จะมีอยู่ได้ไม่เกินเจดวันและเมื่อครบเจ็ดวันคนก็เลิกด่าไปเองนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่หวั่นไหวอีกอย่างหนึ่งภายในประทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าและบางครั้งเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความกลัวอย่างยุนแรงซึ่งตามปกติแล้วสัญชาตญาณของคนเราก็คือการกินนอนกลัวเป็นหลักที่อยู่ในจิตใจของบุคคลทั่วไป ความกลัวเป็นสันชาติตญาณอย่างหนึ่งของคนทั้งหลายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ถูกความกลัวเหล่านั้นคุกคามแต่ประการใดอย่างคราวเสด็จไปโปรดอารวกยักษ์อาระวะกะยักษ์ะะกะกนั้นตามตำนานบอกว่าเป็นผู้ที่มีภาพโภกซึ่งมีพลานุภาพไพศาลสามารถที่จะคว้างไปทำลายค่าศึกสจูให้ตายได้เป็นจำนวนมากๆ อาลากายักคุกคามพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆแม้แต่กว้างภาพโคกไปแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงดํารงพระทนพระไทยมั่นคงประกอบด้วยอธิวาสนาคันติคือความอดกลั้นต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่แสดงอาการหวั่นไหวออกมาจนสามารถโทรมานอาลากายักให้คลายพยศร้ายกลายเป็นคนสัมมาทิฏฐินับถือพระตนะไตรและเป็นพระเรยบุคคลระดับโสดาบันได้ในที่สุด ในข้อนี้ได้ทรงแสดงสภาพพระไทยของพระองค์ให้ปรากฏเมื่อคราวที่พระประยิยรญาทั้งหลายกำลังทกลังจะทำสงครามกันเพื่อแย่งน้าในแม่น้ำโรฮิตนี้พระพุมีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปสู่สำนักของพระญาติทั้งสองฝ่ายพระญาติก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์รับสั่งว่ากำลังทำอะไรการมหัพพิษ กษัตริย์ทั้งสองฝ่ายก็กราบถูนให้ทรงทราบว่ากำลังเตรียมจะทำสงครามกันเพื่อแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีพระพุทธเจ้าก็รับสั่งคุยถึงเรื่องค่าของน้ำกับค่าของกษัตริย์ว่าอะไรมีค่ามากกว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่ากษัตริย์มีค่ามากกว่าจึงรับสั่งสรุปว่าจะเป็นการสมควรไหมที่เราจะเอากษัตริย์ ซึ่งมีค่ามากกว่านั้นมาแลกกับน้าซึ่งมีค่าน้อยกว่ากษัตริย์สักยะและโกริยะก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรแล้วสงครามในคราวนั้นก็เลิกรากันไปโดยไม่มีการล้มตายหรือบาดเจ็บแต่ประการใด่อเรื่องเหล่านั้นระงับไปแล้วก็ได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานคำว่าพระพุทธอุทานเป็นพระพุทธพจน์ที่เปล่งขึ้นประกอบด้วยโสมนัสญาย ปรากฏในพระใจปิฎกอยู่92บหัวข้อด้วยกันส่วนมากแล้วจะปรารบธรรมะเป็นหลักในที่นี้ได้ทรงเปล่งประอุ ธ, ธานให้ปรากฏว่าบุคคลในขณะที่บุคคลทั้งหลายถือฝ่ายถือพวกถือเราถือเขามีการทะเลาะวิวาทกันความมีเวรมีภัยก็บังเกิดขึ้นแกหมู่ชนเหล่านั้นแต่เราไม่มีการถือฝักถือฝ่ายไม่มีการถือเราถือเขา ไม่มีถือพักถือพวกความเดือดร้อนก็ไม่มีแก่เราแล้วทรงเปล่งพระพุทธฐานไปโดยลำดับนี่แสดงให้เห็นถึงสภาพความจริงแห่งชีวิตว่าการที่บุคคลต้องวันไหวแกรงไกวไปตามอารมณ์ทั้งหลายนั้นก็เพราะว่านำจิตเข้าไปคลุกคล้าวกับอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลดึงกายดึงจิตออกมาจากเรื่องเหล่านั้นได้เรื่องเหล่านั้นจะไม่มีอิทธิพล ต่อจิตใจของบุคคลแต่ประการใดการปฏิบัติในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอริยคุณคือคุณของพระอริยะเท่านั้นแม้สามั ญ, ญชนทั่วไปที่สนักถึงคุณค่าของธรรมะคุณค่าของบุญกุศลที่ตนจะพึงสร้างให้บังเกิดขึ้นคุณค่าของความสะอาดความสงบความสว่างทาง จ, จิตใจที่ตนต้องการจะให้บังเกิดขึ้นสามารถที่จะน้อมนํา มาประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นได้โดยลำดับหนึ่งเช่นเดียวกันยังมีเหตุการณ์บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตนโดยตรงหรือว่าไม่เกี่ยวข้องก็ตามถ้าหากว่าบุคคลไม่ไปให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นมากไปจิตใจก็จะไม่ว้าวุ่นไปด้วยความปรารถนาหรือว่าความไม่ปรารถนาสามารถที่จะสงบใจจากอารมณ์เหล่านั้นได้ เรื่องราวต่างๆในโลกนั้นมีเป็นอันมากที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของคนถ้าหากว่าคนเพียรพยายามที่จะกัดเกฑ์ให้สิ่งนั้นบุคคล น, นั้นเรื่องราวหลอดนั้นเป็นไปตามที่ตนต้องการแล้วความว้าวุ่นสับสนก็คงจะบังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล น, นั้นอยู่ตลอดไปเพราะพระพภาคเจ้าทรงแสดงความจริงตามสภาวะแห่งโลกไว้ว่าเป็นอนัตตา คือไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาควบคุมให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้สิ่งทั้งหลายเมื่อยามจะเกิดเพราะมีเหตุปัใจจัยให้เกิดแก่ก็ต้องเกิดของแก่แต่ถ้าใจคนไม่เข้าไปคลุกคล้าวกับเรื่องเหล่านั้นไม่ไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดมันก็เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นเองอจิตใจของเราสงบไปความเดือดร้อนเพราะไปคลุกคล้าวกับเรื่องเหล่านั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้น สามารถที่จะหาความสงบได้ในถ่ำกลางความสับสนชุนละมุนวุ่นวายแม้คนอื่นเขาทะเลาะเขาวิวาทกันเขาด่ากันใจก็จะไม่เข้าไปรับในเรื่องเหล่านั้นไม่ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นจิตใจก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของอารมณ์นั้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปล่อยวางได้ทั้งเรื่องของอดีตทั้งเรื่องของปัจจุบัน และทั้งเรื่องของอนาคตปัญหาในชีวิตจิตใจของบุคคลเหล่านั้นอยู่ที่อาการไขว้คว้าทางจิตซึ่งมักจะยึดเหนี่ยวในอดีตและไขว้คว้าอนาคตไม่ได้กำหนดอยู่ที่ปัจจุบันปัญหาต่างๆเป็นอันมากจึงบังเกิดขึ้นในชีวิตของคนดังนั้นมีพระพุทธภาษิตเป็นอันมากที่ได้อบรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ทราบ ถึงเรื่องทั้งหลายในอดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้ดับไปแล้วในอดีตในกรณีที่เป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่เป็นเรื่องดีก็ช่วยได้แต่ให้ความภาคภูมิใจเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเพิ่มเติมอะไรได้อีกแล้วถ้าจะทําก็ทํากันใหม่เท่านั้นเอง ดังนั้นจึงมีธรรมภาษิต ท, ที่ท่านแสดงไว้ว่ากตัดสนันติปฏิการังสิ่งที่บุคคลทำไปแล้วทำาคืนไม่ได้ซึ่งหมายความว่าเรื่องราวทั้งหลายในอดีตนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามบุคคลจะเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันข้ามหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มไปจากนั้นไม่ได้ส่วนจะทำขึ้นมาใหม่ในกาละใหม่โดยเจตนาใหม่หรือว่าการงานใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถจะกระทำได้ในปัจจุบันเวลาแห่งชีวิตของคนเราส่วนมากต้องสูญเสียไปเพราะเพ้อฝันเพราะคร่ำครวญเพราะโหยให้ถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตซึ่งทรงอุปมาบุคคลในลักษณะนี้ไปว่าในที่สุดก็จะต้องเหี่ยวเฉาไปเหมือนไม้อ้อเหมือนสะพานที่ทาด้วยไม้อ้อแล้วถูกกระแสน้ากระแทกในที่สุดก็จะผุกร่อนแล้วก็พังไป ถ้าหากว่าบุคคลสามารถปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้ถือว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็พยายามกำหนดจิตใจอยู่เฉพาะในปัจจุบันภารกิจการงานอันใดที่บุคคลจะต้องจัดจะต้องทำก็มุ่งเอาเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นไม่ว่าจะในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันหรือในชั้นของการทำความสงบจิตก็ตามปัจจุบันถือว่า เป็นของของบุคคลนั้นอย่างแท้จริงอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระเดช ก, การต伽ธาเป็นการให้สติแก่บุคคลทั้งหลายว่าสิ่งที่ล่วงแล้วไปก็ชื่อว่าล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาก็ชื่อว่ายังไม่มาให้บุคคล ก, กาหนดสติอยู่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นการงานต่างๆไม่ว่าจะใหญ่หรือว่าการงานจะเล็กก็ตาม ให้บุคคลพยายามทำการงานการงานเหล่านั้นในปัจจุบันนี่เป็นคำสอนซึ่งอนุโลมใช้แม้ในชีวิตประจำวันได้ในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานแล้วบุคคลก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้าหากในยามใดที่ใจสายไปยึดเหนี่ยวเอาอารมณ์ในอดีตก็ดีหรือว่าสายไปเพื่อไ ข, ขวยควาอารมณ์ในอนาคตก็ดีแล้วความสงบจะบังเกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้ แม้ในชั้นในชั้นของสมถกรรมฐานหรือในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานปัญญาจะรวมตัวไม่ได้คล้ายๆกับแสงไฟที่ฉายให้พร่าไปไม่สามารถที่จะเจาะลงไปในจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นชัดเจนได้ฉะนั้นดังนั้นเรื่องของอนาคตก็คือเป็นเรื่องที่ยังไม่มาว่าที่จริงอนาคตท่านแปลว่าเรื่องที่ไม่มาแล้วอนาคตก็ไม่เคยมาหรือทำไปเมื่อแกมาถึงเมื่อไหร่ แกก็กลายเป็นปัจจุบันไปทุกทีปัญหาสำคัญในชีวิตของบุคคลเราที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางจิตก็คือว่าทำจิตให้กาหนดอยู่เฉพาะในปัจจุบันอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าตัทธะตัทธวิปัสสติคือให้เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆอย่างการเจริญสมถกรรมาฐานก็ทำจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์ที่ใช้ระลึกในขณะนั้น ใครปฏิบัติกรรมฐานข้อใดเป็นพุทธานุสติอาณาปานสติหรือกรรมฐานอย่างอื่นก็ให้จิตระลึกอยู่ในจุดนั้นไม่ให้สายไปทั้งในอดีตและไม่ให้สายไปทั้งในอนาคตเมื่อจิตกำหนดอยู่ในปัจจุบันแล้วความส ง, งบก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล น, นั้นได้โดยลำดับแต่ขนาดใดก็ตามใจยังสายไปจะสายมากหรือสายน้อยก็ตาม สิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่าเป็นปริพธเป็นเครื่องกังวลเป็นตูประสักขัดขวางไม่ให้เกิดความสงบอย่างน้อยที่สุดผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์ในขณะนั้นให้ได้หรือว่าขณะนี้เป็นเวลาที่จะทำความสงบเท่านั้นแม้มีภารกิจการงานต่างๆที่จะต้องจัดต้องทาหรือที่จะต้องตรวจสอบพินิพิจารณาก็ตามแต่ต้องพยายามปล่อยวางให้ได้ ในขณะนั้นแม้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นถ้าทำได้อย่างนี้แล้วความสงบก็จะบังเกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องกรรมฐานจะทรงชี้ที่ตัวปริพอดคือเรื่องกังวลต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องร่างกายเรื่องอาหารเรื่องภารกิจต่างๆเป็นต้นแม้แต่สุขภาพพลายาใัมจะต้องตัดใจเพิกถอนความคิดจากอารมณ์เหล่านั้นในขณะนั้น แล้วทําความสงบอยู่ต่ออารมณ์ของกรรมฐานที่ใช้กําหนดระลึกแล้วแต่ว่าใครจะใช้อารมณ์อะไรในการกําหนดระลึกในส่วนของวิปัสสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือให้ใช้ปัญญาพินิษฐ์พิจารณาอยู่ในจุดเหล่านั้นจะดูอะไรจะดูรูปจะดูนามจะดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดูอยู่เฉพาะจุดนั้นจะใช้ องของใจลัก์ข้อใดพินิษพิจารณาก็ใช้อยู่เฉพาะจุดนั้นให้ได้เสียก่อนเช่นต้องการดูความเกิดความดับก็ดูเฉพาะที่ตัวเกิดตัวดับในนามรูปเหล่านั้นจะดูนามก่อนก็ได้ดูรูปก่อนก็ได้ข้อสำคัญว่าเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงไว้แล้วบังคับจิตใจไม่ให้สายไปถึงอดีตอนาคตได้ในขณะนั้น ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะบังเกิดขึ้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงมีลักษณะคล้ายๆกับงานวิจัยการตรวจสอบสิ่งต่างๆด้วยกล้องจุลธาตุเป็นต้นซึ่งจําเป็นจะต้องมองให้ชัดในขณะนั้นๆถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความเข้าใจเรื่องเหล่านั้นจะไม่ชัดเจนการเห็นพระใจลักษ์จะบังเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อบุคคลสามารถเห็นได้ในจุดใดจุดหนึ่งแล้ว ผลอย่างอื่นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระสูตรไม่ว่าสูตรอะไรก็ตามจะต้องเริ่มที่จุดหนึ่งให้ได้เสียก่อนเมื่อเริ่มที่จุดหนึ่งได้แล้วเอกภาพของสิ่งทั้งยนั้นมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่มาปรากฏที่มีปรากฏอยู่ในสปปรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นที่ปัจจุบันได้ ก็จะมองเห็นนามรูปต่างๆทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจป จ, จุบันโดยความเป็นอันเดียวกันคือมองเห็นว่านามรูปที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีนามรูปเหล่านั้นก็เป็นเพียงศักด์แต่ว่านามรูปเท่านั้น เป็นการเกาะกลุ่มของสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นดำรงอยู่ด้วยตัวของมันเองเลยแต่เป็นการเกาะกลุ่มอยู่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ H S, <S งเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นยังเกาะกลุ่มกันยังมีสั์มีส่วนความดำรงอยู่แข่งนามารูปเหล่านั้นก็มีได้แต่เมื H ่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสื่อมสลายไปความเปลี่ยนแปลงก็บังเกิดขึ้นในนามารูปเหล่านั้นและเมื่อปัจจัยเหล่านั้นสลายไป ความเป็นนามเป็นรูปก็พลอยสลายตามไปด้วยจิตที่เคยยึดถือความฝันปรารถนาในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราก็จะบันเทาบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปเมื่อถึงจุดนี้แล้วบุคคลจะอยู่ในโลกอย่างผู้ที่ไม่คล้องไม่เกี่ยวไม่ยดึดไม่ถืออยู่ในอารมณ์ทั้งหลายข้อนี้จะเห็นได้ว่า ถ้าหากว่าบุคคลจะเอาสายได้ย่อนลงไปในกระแสน้ำถ้าหากว่าในได้นั้นเป็นได้ธรรมดาก็จะไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่ติดอะไรเลยแต่ถ้าหากว่ามีเบ็ดไปงอเอาไว้ไปผูกไว้ที่ปลายเมื่อโยนลงไปก็จะไปเกี่ยวไปติดอยู่ในสิ่งต่างๆถ้าจะถามว่าทำไมจึงต้องติดก็บอกได้ว่าเพราะมีเหล็กที่เป็นของงออยู่ข้างล่าง จิตใจของบุคคลก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีการปฏิบัติให้ตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าที่เคยกล่าวว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมให้เหมาะให้ควรแก่ธรรมะในฐานะในโอกาสนั้นแล้วความคล้องความติดในอารมณ์ทั้งหลายก็จะบรรเทาประบางลงไปและที่สาคัญอย่างยิ่งคือสามารถจะปล่อยวางอารมณ์บางอย่างที่ควรจะปล่อยวางได้แล้ว สามารถจะสงบใจจากอารมณ์บางอย่างที่เมื่อคิดไปแล้วจกนึกไปแล้วมีโทษโดยส่วนเดียวไม่มีผลในการสร้างความสงบอันใดให้บังเกิดขึ้นภายในจิตและจะหยุดการไขว่ขวันถึงอนาคตแต่ใจของบุคคลจะกำหนดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นบางครั้งบางคราวจึงทรงแสดงแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเปรียบชีวิตเหมือนกระเบือโดยรับสั่งว่า ให้บุคคลผู้พายเรือไปนั้นพยายามวิทน้ำออกจากเรือเมื่อวิทแล้วเรือก็จะพลันถึงฝั่งได้โดยเร็วซึ่งก็หมายความว่าอะไรที่ทำให้เกิดความหนักใจความยึดติดความเป็นห่วงกังวลความอะไรอววรอยู่ในสิ่ ง, งต่างๆแม้แต่ความหมกมุ่นครุ่นคิดด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือความฟุงรร้งซ่านราคาญต่างๆนั้นแม้เพียงอย่างเดียวก็สร้างความหนัก ภายในใจให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลเป็นนั้นมากแล้วถ้าสามารถปล่อยสามารถวางสามารถละี่ได้บ้างความเบาก็จะบังเกิดขึ้นนาวาคือชีวิตของบุคคลก็จะดำเนินใกล้ฝวางความสะอาดความสงบความสว่างขึ้นไปทุกขนัเพราะว่าความยึดความติดในสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะยึดติดในเรื่องอะไรก็ตามจะไม่มีโทษนั้นไม่มีเลย ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าสเบธมานาลังอภินิเวศายะทามทั้งหลายบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะยู่หัวได้จัดไปก่อนสวรรคตว่าสิ่งที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นั้นจะไม่มีโทษเป็นนั้นไม่มีเลยดังนี้ต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป